ในครั้งที่แล้วก็ได้กล่าวในเรื่องของมงคลทั้ง38ประการตั้งแต่อเสวนาเจพารานังการไม่คบคนพานปันเดตานันจะเสวนาการครบบัณฑิตภูชาจะปูชนียนานังการบูชาผู้ที่ควรบูชาอันนั้นคือคาถาแรกในคาถาที่สองก็มีอยู่สมมงคลปฏิรูประเทสวะโสการอยู่ในประเทศที่สมควร 钵เพจจา ก, กตปุญญาตาการได้ทำบุญไว้ในปางก่อนอัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบคาถาที่สามมีอยู่สี่มงคลพาหุสัจจังการฟังมากสิบปังการศึกษาศิลปะวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วแล้วก็สุภาสิตาจายาวาจาคือวาจาที่เป็นสุภาษาิต ส่วนในคาถาที่4ในคาถาที่4เนี่ยมีอยู่สมงคลก็มีมาตาปีตุอุปถานังการบำรุงมารดาที่จริงมีศัพท์ว่ามาตามาตุอุปถานังการบำรุงมารดาแล้วก็ปีตุอุปถานังการบำรุงบิดาปุตตะทธธารสสะสังกะโหการทรงเคาะบุตรและก็ภรรยา นากราจะกัมมันตาอันนั้นก็หมายความว่าการงานที่ไม่อากูลข้างค้างในคาถาที่สเนี่ยมีอัตถกถาท่านแบ่งเป็นสามในนในแรกเนี่ยแบ่งเป็นสี่มงคลอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยในที่สองนี่ท่านแบ่งเป็นห้ามงคลโดยการแยกบุตรกับภรรยาออกจากกันคือส่งข้อบุตรนั้นคาหนึ่งแล้วก็ส่งข้อภรรยา อันนีกครับมักลายเป็น5มงคลส่วนในที่สมนั้นนะ่ะเป็น4เป็น4เป็นมงเป็นสมมงคลคือไม่แยกการบุมลงบิดามาดาออกจากกันและไม่แยกการครงข้อบุตรและก็ภรรยาออกจากกันก็เลยเป็นสนะก็คือท่านพยายามกล่าวให้มันครบ38นั่นเองคาถาที่ห้านี่มีอยู่4ี่มงคลทานั้นจากการให้ธรรมจริยาการเบื้พฤติธรรม ยาตการนั่นจะสังกโหการส่งเคราะห์ญาติอนาวชานิกรร ม, มานิการทำการงานที่ไม่มีโทษส่วนคาถาที่หกมันมีอยู่สามมงคลอรตีวิรตีปาปาการงดเว้นจากบาปมัชปานาจะสัญญโมในการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาอัปมาโดจะทำเมสุนในความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายส่วนคาถาที่เจ็ดมนมีอยู่ห้ามงคลคารโวนั้์แปลว่าความเคารพ นิวาโตในความประพฤติถ่อมตนสันตุถีนี่คือความสันโดษกตัญยุตานี่ความกตัญยูรู้ทุนท่านแล้วก็กาเลนะธรรมะสวนังการฟังรมตามการคาถาที่8ดมีอยู่สี่มงคลขันติความอดทนโสวจัตสตาในความเป็นผู้ว่าง่ายสมนานัญจะดัดสนันการได้เห็นสมณะ กาเลนธรรมฉาหรือธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการส่วนคาถาที่เก้าเนี่ยมีอยู่สี่มงคลตโปตาบะเนี่ยก็แปลว่าความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนพระมจรยิยงนือการประพฤติพรหมจรรย์อริยญาณทัศนังเอือเข้าไปอริยสัจญาณทัศนังการเห็นอริยสัจสี่นิพพานสัชกิริยาการกระทำพนิพพานให้แจ้ง ส่วนคาถาที่สิบเนี่ยมีอยู่สี่มงคลพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสนากรรมปติจิตของผู้ใดถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวหนึ่งอโศกังความไม่เศร้าโศกหนึ่งวีระชังจิตที่ปราศจากธุลีคือกิเลสหนึ่งแล้วก็เขมังจิตที่ปราศจากจิตที่ถึงความเกษมคือโยคะสรุปแล้วถ้าถามว่า มงคลส8ดที่เราศึกษากันเนี่ยมีทั้งหมดมีกี่คาถามีอยู่สิบคาถาทั้งหมดมีกี่มงคลส8มสดมงคลแต่ขยายไปขยายมาบางทีเป็น39ก็มีแต่ว่าจริงๆคือส8สิเขาเรียกว่ามงคลส8สบนี่เป็นอย่างนี้นะต่อไปก็คือในครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของมงคลข้อที่สาม ในมงคลข้อที่สามก็มีอะไรบ้างอะก็มีว่ามงคลข้อที่สามในคาถาที่สมก็คือวิเนโยมีวินัยนี่อธิบายไปแล้วนีมงคลข้อที่สี่ในคาถาที่สาม 4, าก็คือสุภาษิตาวาจาคือวาจาที่กล่าวดีแล้วเป็นต้นในนี้ก็จะขยายมงคลที่จริงการกล่าวมงคลนเนี่ยนีกล่าวในเรื่องของ ครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องคําว่าวินัยเนี่ยแล้วก็ได้ยกตัวอย่างเขาไว้บอกว่าวินัยน่ยมีอยู่สองอย่างนะว่าวินัยของบรรณชิตกับวินัยของเครหัส่าถ้าหากว่าวินัยของบรรณชิตและเครหัส่าเนี่ยส่วนวินัยของบรรณชิตก็คือการต้องไม่ต้องอับัติก็คือไม่ต้องอับัติปาราชีกสังฆาทิเศษนิสกียาปิจิตีเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนั้นเป็นอนาคาอนาคา อนาคาริยวินัยวินัยของบรรพชิตอนาคาวินยนั้นะนชื่อว่าอันบนรรพชิตศึกษาดีแล้วเพราะไม่ต้องโทษเครื่องเศร้าหมองและทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณคือมัร ญ, ญาติอันนั้นก็เป็นมงคลอะทำไมจึงเป็นมงคลก็นำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกนี้แล้วก็ในโลกทั้งสองในโลกหน้าคือจะได้รับความสุขในปัจจุบันแล้วก็ในในอนาคตกะพระเนี่ยนะ ไม่ต้องอาบัติประราชิกสังคาทิเศษนิสขีปาจิตีปาจิตีเป็นต้นเหล่านี้ด้วยสามารถห่นการกำหนดอาณาคาริยวินัยอย่างอุกฤษเพราะฉะนั้นในอาบัติเจ็ดกองเนี่ยนะอาบัติใดๆอันภิกษุใดแสดงถูกแกล้งต้องแล้วนะบัตนั้นภิกษุนั้นพึงแสดงคืนด้วยวุฒานาคามินีก็หมายความบอกว่าถ้าเป็นอาบัติประราชิกก็ึก ถึงจะพ้นจากความเศร้าหมองถ้าเป็นอาบัตสังขารทิเศตก็อยู่ปริวัติกรรมจึงจะพ้นจากความเศร้าหมองถ้าเป็นอาบัติที่นอกจากนั้นก็บริสุทธิ์ได้ด้วยการเทศนาวิธีคือการแสดงก็คือการออกจากอาบัตนั่นเองในอัตถกถาท่านอธิบายบอกว่าทำเหล่าใดย่อมทําอันตรายต่อสวรรค์และพระนิพพานคือความหลุดพ้นเหตุนั้นทําเหล่านั้นชื่อว่าอันตรายยิ่งกระทำอันตรายยิกธกรมเนี่ยมีอยู่5อย่างนะ ก็มีกิเลสขอไปกรรมหนึ่งกิเลสหนึ่งวิบากนหนึ่งแล้วก็อุปวาทะและก็อานาวีติกมะในอันตราย5อย่างนะั่นะนะนะทำที่ให้ผลในพบเป็นลําดับ5อย่างชื่อว่าอันตรายยกรรมคือกรรมนะก็หมายความว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังสงให้แตกจากการเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายเป็นอันตรายยกระทเป็นอันตราย หรือปทุศร้ายพิกษุณีก็เหมือนกันก็บอกว่าถ้าหากว่ากระทํากรรมในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นอันตรายเป็นอันตรายเยอะธรรมส่วนกิเลสเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยจัดว่าเป็นกิเลสมีอะไรบ้างว่าอนนี้ตามิจฉาทิฏฐิอเหตุกาทิฏฐินาทิกาทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ยกิเลสเหล่านี้เป็นเป็นอันตราย ทำคือปฏิสนธิของพวกบรรดาสัตว์เดรัจฉ า, านและก็อุปตโตพยัญชนะก็ชื่อว่าเป็นอันตรายถือวิบากเหมือนกันเช่นสัตว์เดรัจฉ า, านเนี่ยไม่สามารถบรรลุพระนิพพานได้พวกกระเทยเนี่ยพวกอุปตโตพยัญชนะพวกสองเพศเป็นต้นเหล่าเนี้ยพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงได้อันนั้นเป็นอันตรายเพราะมีวิบากเป็นเครื่องกัน้นแต่ถ้าหากในภาพวิธรรมนั่นก็จะกล่าวบอกว่าอย่างพวกทวิเหตุกาปฏิสนธิพวก อเหตุกกาปฏิสนธิเนี่ยพวกสุคติยเหตุกบุคคลเนี่ยนะเช่นบ้าใบาบอดหนวกเนี่ยพวกเนี้ไม่สามารถบรรลุคุณธรรมได้ก็เป็นอันตรายเพราะวิบากหรือคนที่เกิดมาด้วยเหตุสองคือความไม่โลภไม่โกรธขาดปัญญาเนี่ยนี่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้อันนั้นเขาเรียกมีวิบากเป็นเครื่องกัน้นส่วนเจตนาธรรมเป็นเหตุว่าร้ายพระอริยเจ้าชื่อว่าอันตรายเป็นอันตรา ย, ยิ่งกระทำเป็นอุปวาตะ อริยปวาทะท่านก็เรียกอะทำไมจึงเรียกว่าอริยปวาระท่าเช่นติเตียนพระอริยะติเตียนผู้มีคุณธรรมเนี่ยการตำหนิการติเตียนผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยอันนั้นทำเป็นเครื่องกันว่าว่ากล่าวพ่อแม่ครูประชาญนเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็บาปหนักอยู่แล้วใช่ั้ยถ้าหากไปว่ากล่าวพระอริยเขาเนี่ยเนียเรียบร้อยเลยท่านพุทธนะหมดโอกาสในการบรรลุธรรมเลยมันเป็นอันตรายแบบนี้ ฉะนั้นในฐานะที่ศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยจะกล่าวพรุศวะคำหยาบจะกล่าววาจาส่อเสียดจะพูดเพ้อเจอ้อหรือจะพูดมุสาเนี่ยนะถ้าจะหลุดออกมาเนี่ยถ้าไปกระทบ ก, กระทั่งกับคนที่มีคุณธรรม้ามาเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนจึงต้องสํารวมระวังอย่างยิ่งใช่ไหมคนที่ศึกษาคำสอนเนี่ยไม่พูดอะไรบ่อยมากหรอก หรือถ้าจะพูดล่วงออกไปก็จะต้องระมัดระวังมีสติกำกับระลึกอยู่เสมอว่าเออมันผิดวินัยเราไหมเพราะเราถ้าอย่างนั้นมันไม่เป็นมงคลเนี่ยทําให้เป็นมงคลก็เป็นอัปมงคลไงฉะนั้นคนบางคนเนี่ยจะได้เป็นรู้อยู่แล้วเนียแต่เพราะว่ออาจางตงัวเองแท้ๆที่ไปประทุสล้ายคู่มีพระคุณขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยเลยขาดกันเลยตรเนี้เลยเป็นเครื่องกั้นอยู่นั่นแหละ นี่เขาเรียกว่าอันตรายคืออุปวาทห์เขาเรียกอุปวาทันตรายหรืออุปวาทันตรา ย, ยิกธรรมที่บอกว่าเป็นอันตรายนั้นก็เพราะว่าย่อมทําอันตรายตลอดเวลาที่ผู้ว่าร้ายทั้งหลายยังไม่ให้พระเดียเจ้าทั้งหลายอดโทษเท่านั้นเออมันดีอยู่อย่างบอกว่าถ้าเขาอดโทษให้ถ้าเราไปว่ากล่าวกับใครนะถ้าเขาอดโทษให้เออโทษนั้นระงับได้มีโอกาสบรรลุได้ หาทำอันตรายไม่อาบัตทั้งหลายที่ภิกษุกแก้งต้องแล้วชื่อว่าอันตรายยกรรึกกระทคืออนาวิติกมะอาบัตแมเหล่านั้นย่อมทําอันตรายตลอดเวลาที่ภิกษุนั้นต้องอาบัตยัยงปฏิญญาเป็นภิกษุอยู่ก็ดียังไม่อยู่กรรมก็ดีนะีก็หมายความบอกว่าถ้ามีอันตรายเหล่านั้นน่ะถ้ายังประพฤติเป็นภิกษุอยู่ก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากอันตรายต่างๆเหล่านั้นได้ก็ต้องคือทําคืนน่ะนะแตตอนี้ว่า ในคำสอนเนี่ยดังที่ได้กล่าวในเรื่องของอันตรายต่างๆเหล่านี้ชื่อว่าอันตรายยกระธรเมเจตนาที่จะให้ผลในพบเป็นลันดับเป็นสภาพชื่อว่าอนันตรียกรรมเป็นต้นเหล่านั้นนะนะตรงนี้ก็คือในรายละเอียดนั้นก็ขอยกตัวอย่างดีกว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสปะหรือกัสศพเนี่ยมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งบาเพ็ญสมณธรรมในป่าสอง 0,000 ื่นปีน ถามว่าบําเพญในป่าสองหมื่นปีที่มากวะสมัยนั้นคนอายุเป็นหลายๆายหมื่นปีก็บวชในพระศาสนาในบําเพนสมณธรรมอยู่ในป่าเป็นวัดเลยเนี่ยนะสองหมื 20, ่นปีคือเคร่งครัดมากวันหนึ่งขึ้นเรือไปในแม่น้ําคงคาจับใบตะไคร่น้ําที่กอตะไคร่น้ําแล้วแม้เรือนั้นแล่นไปโดยเร็วก็ไม่ปล่อยใบตะไคร่นั้นก็ขาดเธอเข้าใจว่าโทษนั้นเล็กน้อยไม่แสดงอบัติ ภิกษุนี่ยก็ห้ามพระของเขียวรู้ปะการที่บอกว่าแม่ต้องบอกว่าเออทำไมพระไม่ตัดต้นไม้เราก็ไปบอกว่าพระนี้ขี้เกียจเหลือเกินเนี่ยจะไปตาหนิท่านนะท่านรักษาวินัยของท่านเนี่ยภ า, า, า, ยายพารูปเนี้ยถ้าใครไปในอุโบสถหรือพระอุโบสถบางแห่งเนี่ยเขาจะวาดเป็นภาพภิกษุจับใบตะไคร่น้ําแล้วก็ดึงแล้วขาดใช่ไหมแล้วต่อมาก็มีอีกภาพหนึ่งที่ เป็นพระพญานาคเนี่ยในเรื่องราวก็คือตรงนี้แม้ประสงค์จะแสดงอาบัตินั้นก็ไม่เห็นภิกษุอื่นเวลาใกล้จะตายนีสิเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนใจขึ้นมาเกิดวิปฏิสานความเดือดร้อนใจขึ้นมาศีลของเราไม่บริสุทธิ์แล้วนาอย่างเงี้ยจุดตีจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดเป็นพญานาคขนาดลำตัวเท่าเรือโกรนลำหนึ่งเท่าเรือนามของพญานาคนั้นว่าเอลากบปตะ พญานาคเอละกะปัตตะเนี่ยคิดว่าด้วยอุบายนี้เราจักได้ฟังการอุบัติเราจักได้ฟังการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าเป็นแน่ดังนี้แล้วได้ธิดาของตนเรียกเพลงขับมาแล้วลอยขึ้นแผ่พังพานใหญ่เหนือหลังน้ําในแม่น้ําคงคายกธิดาขึ้นไว้บนพังพานนั้นแล้วก็ให้ขับเพลงในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนทิดานั้นฟ้อนขับอยู่บนพังพานนั้น ชาวชมพูทวีตทั้งสิ้นต้องการจะจับพญานาควิกาจึงขับตอบด้วยกําลังของปัญญาของตนของตนพญานาคปฏิเสธเพลงตอบนั้นเสียเมื่อนาคมาณวิกานั้นขับอยู่อย่างนี้ทุกกึ่งเดือนพุทธันดอนหนึ่งล่วงไปแล้วโอ้โหพระเจ้าตัดไปองค์หนึ่งหนึ่งครั้งนั้นพระาศาสดาทรงอุบัติในโลกตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงทราบเพียดนั้นเสด็จไปประทับณควงไม้ซึกต้นหนึ่งกลุง่งใกล้กรุงพระนาศีทอดพระเนตรเห็นมานบชื่ออุตระกำลังเดินไปมาเพื่อจะขับเพลงตอบจึงตัดเรียกว่าเธอจงมานี้ก่อนเขาเข้าไปหาพระาศาสดาอันพระาศาสดาตรัสถามจึงกราบทูลเพลงขับตอบของตนพระาศาสดาตรัสว่าอุตระนั่นไม่ใช่เพลงขับตอบดังนี้แล้วโปรดให้เขาเรียนเพลงขับตอบ เขากําลังเรียนเพลงขับตอบนั้นก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วจึงได้ไปคือฟังทำอย่ากพระพุทธเจ้าพระเจ้าสองน่สอนให้ร้องเพลงเนี่ยนะแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปแล้วก็ไปกล่าวนางนาค น, นาคมานวิกาขับเพลงด้วยสองคาถาบอกว่าผู้เป็นใหญ่แห่งอะไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนภรเศรียน อย่างไรเล่าชื่อว่ามีธุลีปราศจากแล้วเนี่ยอย่างไรเล่าเรียกว่าคนพานคนพานอันอะไรพัดไปบัณฑิตบรรเทาได้อย่างไรบุคคลย่อมมีธรรมเป็นที่กเกษมจากโยคะได้อย่างไรท่านอันข้าพเจ้าถามแล้วจงบอกความนั้นแก่ข้าพเจ้าก็ก็ถามเนี่ยทีนี้บอกว่าอุตตรามานพเมื่อฟังคาถานั้นแล้วเนี่ยนยีก็ตอบเพราะว่าเรียนจากพระพุทธเจ้าไปแล้วบอกว่าผู้เป็นใหญ่แห่งทวารทั้งหกชื่อว่าพระราชา พระราชาผู้ให้กำนัดชื่อว่ามีธุลีบนพระราชาผู้กำนัดเนี่ยชื่อว่ามีธุลีบนพระเสียรผู้ไม่กำนัดชื่อว่ามีธุลีปราศจากแล้วผู้กำนัดอยู่เรียกว่าคนพานคนพานอันโอค้าพัดไปบัณฑิตย่อมบำเทาได้ด้วยความเพียรผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงเรียกผู้มีธรรมเป็นที่เกษมอย่างโยคะบุคคลเป็นใหญ่แห่งทวารทั้งหเนี่ยนะ เพราะทวารเหล่านั้นอนารมณ์มีรูปารมณ์สัทธารมณารมณ์ราาักษารมณ์บทภารม์ธรรมารมณ์ครอบงำไม่ได้ชื่อว่าพระราชาฉะนั้นคําว่าพระราชาเนี่ยต้องบอกว่าผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่แห่งอารมณ์ทั้งหพระราชาผู้กําหนัดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรส่วนผู้ไม่กําหนัดเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ข้ามโมฆะได้นี่เป็นไปลักษณะอย่างไงพยานหน้าพอได้ยินเพลงขับตอบนั้นก็ดีใจ เราไม่เคยได้ยินบทเช่นนี้ตลอดพุทธันตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติและขึ้นโลกแล้วในนอกเอเกิดขึ้นแล้วในโลกและหนอเนี่ยท่านผู้เจริญดังนี้แล้วน่ขึ้นจากน้ำแล้วพร้อมด้วยอุตรมามนบไปสำนักของพระาศาสดาถวายบังคมพระาศาสดาแล้วก็ร้องไห้นาคตัวเนี้ยเห็นไหมเกิดเป็นพญานาคเ น, นี่ยอายุยืนมากด้วยการที่ทำผิดศีลเนี่ยนยะไม่คุ้มเลย ร้องไห้กราบทูลที่ตนอาศัยกรรมเพียงทําใบตะไคร้ให้ขาดต้องบังเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วก็กราบทูลต่อไปว่าข้าพระองค์พระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังพระสัตวรทำไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ตลอดหนึ่งพุทธันดรบอกว่าหนึ่งไม่ได้เป็นมนุษย์สองไม่ได้ฟังธรรมสมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าในหนึ่งพุทธันดอนเป็นยังไงลราโทษของบาปหนึ่ง น่าชื่นใจไหมอะไรแกเนีย่ยพศาสดาตรัสว่ามหาบอพีชชื่อว่าความเป็นมนุษย์เป็นต้นความเป็นมนุษย์การฟังพระสัตย์ธรรมการได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเป็นของยากจึงได้ตรัสบอกว่าการกลับได้ความเป็นมนุษย์ได้ยากชีวิตคือความเป็นอยู่ของหมู่สัตว์ผู้ต้องตายเป็นได้ยากการฟังพระสัตย์ธรรมก็ยากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากคําว่ากิจโฉความว่าชื่อได้โดยลําบากเนี่ยคือได้โดยยาก พราะต้องได้ด้วยกุศลใหญ่นะต้องได้ทานกุศลศีลกุศลสมาธิกุศลภาวนากุศลที่ใหญ่การกลับได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยชื่อว่าได้โดยยากลาบากเพราะต้องทำการงานมีกสิกรรมเป็นต้นสืบต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เสมอบ้างเพราะชีวิตนั้นตั้งอยู่ชั่วการนิดเดียวบ้างส่วนมัจจานะชีวิตต่างก็คือแม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็บอกว่าเป็นอยู่ยาก ส่วนการฟังพระสัตวรทำชื่อว่าได้ด้วยความลำบากเพราะบุคคลผู้แสดงทำได้โดยยากฟังเนี่ยฟังธทำเนี่ยไม่ใช่แสดงได้ไง่ายๆนี่ยแสดงได้โดยยากแม้ในกลับอันเป็นอนเนกว่าได้โดยลำบากคือได้โดยยากเหลือเกินเพร่อพิธิหานสําเร็จได้ด้วยอุตสาหะใหญ่เพราะท่านผู้มีอภิธิหานสําเร็จแล้วเกิดขึ้นหาได้ยากแม้ในพันโกรกลับเป็นอันอก พญานาคได้ฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วเนี่ยน่าจะจำได้สําเร็จผลทีแรกคืนน่าจะได้เป็นพระโสดาบันในวันนั้นแต่ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานพญานาคนั้นไม่ได้รับความลำบากในฐานะหาหนึ่งปฏิสนธิลอกคาบกลางวางใจอย่างลงสู่ความหลับเศรษฐเมตุนด้วยนางหน้าผู้มีชาติเสมอกันจติเหมือนพวกนาคเหล่าอื่นย่อมได้เพราะอันเที่ยวไปได้วยรูปแห่ง มานบเหมือนกันนั่นคือถึงแม้ว่าตนเองไม่ได้บรรลุแต่ก็ได้ความสะดวกจากการที่ได้เจริญกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยภิกษุต้องอาบัติพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามทำในอบัตนั้นๆเพราะว่าภิกษุเมื่อปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยย่อมอาย่อมอาจจะบรรลุมรรคผลได้แท้พระศาสดาสเสด็จเที่ยวจาริกในแฝงโกศลทอดพระเนตรเห็นต้นไม้มีโพรงต้นไม้ใหญ่ในระหว่างทางถูกเพลิงไหม้แล้ว มีพระประสงค์จะทรงแสดงเปรียบเทียบกองเพลิงประทับนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ทรงแสดงอัคคีฐานโทรปรมสูตรคืออุปมาเกี่ยวกับกองไฟเป็นต้นเหล่านั้นนะให้พระเหล่านั้นได้เกิดสังเวชสดใจอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็จะไม่กล่าวในรายละเอียดนะค่อนข้างที่จะนะแต่ว่าในประการแรกเลยก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องของคําว่าวินัยเนี่ยถ้าวินัยของพระเนี่ยก็คือ ศีลทั้งสีประการเนี่ยปาติโมกสังวรศีลในเจตุปริสุทธิศีลนั่นเองปาติโมกสังวรศีลย่อมบริสุทธิ์เมื่อภิกษุไม่ต้องอบัตอะไรอะไรปาติโมกสังวรศีลนั้นย่อมชื่อว่าแบบภิกษุผู้ไม่ต้องอบัตินั้นศึกษาดีแล้วปาติโมกสังวรศีลนั้นย่อมนำมาแม้ในโลกุตตระสุขดุจศีลกองพระประธานนิยะเถละก็คือบอกว่าพระเนี่ยถ้ารักษาศีลในบริสุทธิ์แล้วเนี่ยรักษาหรือเป็นเครื่องป้องกันได้ท่านก็เล่าบอกว่า มีงูพิษร้ายน่ยกัดพระเถระผู้ที่กําลังสดับอริยังวางสปัปติปทาอยู่เนื้อเรือนเป็นที่ทําความเพียรใกล้ต้นการนิกายนักขันถัาไปลวิหารพระเถระแม้ทราบว่าแม่ทราบแล้วก็ยังมีจิตผ่องใสนั่งฟังทำอย่างเดียวเขาบอกว่านั่งฟังทำเนี่ยถ้าทางปีติตั้งสุดท้ายเกิดขึ้นยังตั้งมัน่นจริงๆร ง, งูกัดแล้วไม่เป็นอะไรขับพิษงูได้ก็ลองเอาไปทําดูเนาะเอาไเทปเปิดเทพดูแล้ว ก็ว่าขับพิษงูเนะี่ยคือจิตนั่นเองจิตที่ผ่องใสนั่นแหละเป็นปีติเนะี่ยเขาบอกว่านั่งฟังแต่ทำอย่างเดียวกําลังพิได้กล้าแข็งแล้วท่านพิจารณาศีลตั้งแต่ต้นจนถึงที่อุปสมบทมาทําปีติให้เกิดขึ้นเรามีศีลบริสุทธิ์พิษก็กลับหายไปสู่พื้นปฏิพีพร้อมด้วยจิตตุบบ า, นนะาสนั้นคือพราจิตเลื่อมใสเนี่ยนะคือมันอย่างนี้ต้องอธิบายเดี๋ยวก็จะหาว่าเ อ, อิ่มพูดเกินยริงพอท่านถุงงูกัด ท่านก็ตรึกถึงศีลเพราะตรึกถึงศีลของท่านเนี่ยก็ทําปามโมดให้เกิดใช่ไหมอ๋อไม่วิปฏิสารนี่อพอพอไม่วิปฏิสารท่านก็พิจารณาเห็นคุณของศีลของตอนเองเนี่ยศีลไม่ขาดไม่ดังไม่พ้อยไม่ทะลุไม่เป็นโลนี่ตอนนี้ก็ปามโมดก็เกิดปีติก็เกิดความสุขก็เกิดสมาธิก็เกิดเห็นไหมพอเกิดปาโมดเกิดปีติกเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิไอตัวสมาธินี่แหละก็ขับ พิษของงูนั้นออกที่นี้ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวเนียพระเถระพอพิจารณาเป็นไปตามลำดับแล้วได้เอกขตาจิตเจริญวิปัสนาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่นั่นเองนี่เรื่องพระประทานิยาเถระในอัตถกถาสภาสวสัสตรอันนี้ปฏิโมกปฏิโมกสังวรศีลที่นี้ในอัตถกถาทั้งหลายเนี่ยนะท่านกล่าวบอกว่าปฏิโมกสังวรศีลชื่อว่าเทศนาสุทธิก็คือวักว่า ปาธิโมกสังวรศีลในเรียกว่าเทศนาสุทธิเพราะบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงท่านกล่าวบอกว่าศีลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยคุณชาตินั้นเหตุนั้นคุณชาตินั้นชื่อว่าเป็นเครื่องบริสุทธิ์คุณชาติเครื่องบริสุทธิ์แห่งการแสดงตามธรรมชื่อว่าเทศนาสุทธิก็คือการแสดงอับัติเมื่อตอนเองต้องอับัติขึ้นมาอย่างนี้ก็บอกกล่าวนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือบอกว่าอินทรีย์สังวรศีน อันนี้กล่าวอย่างย่อๆเนีอันนี้เป็นวินัยที่ศึกษาดีแล้วเนี่ยอินทรีย์สังวรศีลย่มมอมบริสุทธิ์เมื่อพิจารณาเห็นอาทีนวะในอสังวรและอ น, นิสงส์ในสังวรโดยปกติบอกว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยนะการปิดบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าการสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกอินทร์สังวรตาเห็นรูปใจไม่เป็นบาปเป็นต้นเนี่ยนะ ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องใจคิดนึกอารมณ์แล้วก็ไม่เป็นบาปเกิดในใจเนี่ยทำไมบาปยังไม่เกิดเพราะเห็นโทษในอสังวรเราเห็นไหมว่าโทษของการไม่สังวรยกตัวอย่างเช่นถ้ารูปสวยๆมาปรากฏทางทวารตาถ้าเราปล่อยให้ใจเราเป็นบาปเนี่ยเราก็โทษจะตามมาอีกมากเนี่ยเราเห็นโทษในอสังวรเห็นอนิสงค์ของการสังวร ภิกษุนั้นเห็นอไิสงในสังวรด้วยความเป็นกเกษมและอาทีนวะในอสังวรเห็นโทษนะนะโดยความเป็นภัยบำเพ็ญศึกษาด้วยวิธีอินทรีย์สังวรศีลนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายภาษายะตนาหกอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สํารวมย่อมนํามาซึ่งทุกมีชาติที่ทุกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภาษายะตนาหกเป็นเไหน ภิกษุทั้งหลายภาษายตนา6เหล่านี้คือภาษายตนาคือจักสุอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สํารวมย่อมนํามาซึ่งทุกข์อันยิ่งภาษายตนาคือโสต า, าอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สํารวมย่อมนํามาซึ่งทุกข์อันยิ่งภาษายตนาคือคานาอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สํารวมย่อมนํามาซึ่งทุกข์อันยิ่ง ภาษายตนาคือชิวหาอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สัมรวมย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งภาษายตนาคือกายอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สัมรวมย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งแล้วก็ภาษายตนะคือใจอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สัมรวมย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งฉะนั้นภาษายตนา6กเหล่านี้แต่อันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สัมรวมย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่ง แต่ถ้าหากสํารวมกันนะถ้าหากว่ารักษาภิกษุฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสํารวมดีก็นําสุขอันยิ่งมาให้ไม่ว่าจะทางตาหูจมูกรินกายและกระทางใจเหตุนั้นแหละผัสสะทั้งหลายบอกว่าเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้นแห่งผัสสะจักขูพัฒสัมผัสะได้แก่อาจารภาัยในมีจกักขูเป็นต้นชื่อว่าผัสายตนะจักขูสัมผัสะการกระทบกันทางตาเนี่ย อาศัยอะไรลนะ่ะอาศัยตาอาศัยโลภอาศัยจักรูวิญญาณการประชุมต้องทำสามประการเนี่ยชื่อว่าผัสสะนี่เรียกจักขูปสัมผัสสะถ้าอาศัยหูอาศัยเสียงอาศัยโสตวิญญาณนี่ก็เรียกโสตสัมผัสสะอาศัยจมูกอาศัยกลิ่นอาศัยคานวิญญาณนี่ก็เรียกคานาสัมผัสสะอาศัยลิ้นอาศัยรสอาศัยชิวหาวิญญาณนี่เขาเรียกว่าชิวหาสัมผัสสะอาศัยกายอาศัยโพธิภพะแล้วก็อาศัยกายยวิญญาณนี่เขาเรียกว่า กายสัมผัสสะอาศัยใจายอาศัยธรรมารมาสายมโนวิญญาณนี้เขาเรียกว่ามโนสัมผัสสก็นี่นะผัษาะนี่นำทุกมาให้ก็ได้ถ้าไม่สํารวมนําสุขมาให้ก็ได้สุขในฌานสุขในมรรคผลเป็นต้นเหล่านี้ส่วนอาทีนออาทีนนอกเพื่อาาอาทินาวะได้แก่การไม่สํารวมอินทรีย์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอาทิตตปริยยสูตรในสลายยานาวักภิกษุทั้งหลายจักขุนศีอันภิกษุ ทะลวงแล้วด้วยเหลาเหล็กร้อนลุกโชงรุ่งโรโชดช่วงแล้วยังประเสริฐส่วนการถือนิมิตอนุพยัญชนะในรูปอันจะพึงรู้ด้วยจักสูงไม่ประเสริฐเลยภิกษุทั้งหลายวิญญาณนั้นกำหนัดด้วยความยินดีในนิมิตก็ดีความกำหนัดยินดีด้วยนุพยัญชนะก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ภิกษุพึ ง, พงทํากาลาเสียในสมัยนั้นท์ไซข้อที่เธอพึงถึงกติสองอย่างคือนรกและกำเนิดสัตว์ราชาอย่างใดอย่างหนึ่ง มีฐานะอยู่ภิกษูตทั้งหลายเราเห็นอาทีนะเห็นโทษนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ก็คือบอกว่าทางตาหูจมูกริ้นกายใจเนี่ยถ้าไม่สำรวมระวังเนี่ยมันเป็นโทษยกตัวอย่างเช่นเราไปกำนัดไปยินดีก็ดีหรือไปเกิดปฏิฆาเกิดโทสะก็ดีเนี่ยเมื่อเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะก็เป็นโทษแล้วเป็นโทษแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตกนรกเป็นต้นเหล่าเนี้ยนี่เป็นอย่างนี้นั่นในกลุ่มของอินทรีย์สังวร การไม่สํารวมอินทรีย์เนี่ยเป็นโทษอันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างไว้ไว้ค่อนข้างเยอะนยียกตัวอย่างไว้ไว้ค่อนข้างมากเกี่ยวกับในเรื่องของแต่ว่าจะไม่นํามากล่าวกล่าวทั้งหมดเพราะว่าเรื่องมันยาวแล้วมีมเรื่องเยอะเดี๋ยวจะไม่ไปไกลกว่า น, นี้อันนี้มันเป็นภาคภาคพิสดารนะนะนี่พูดในเรื่องของพูดในเรื่องของวินยัยนี่นถาที่ว่าด้วยด้วยวินัยเนี่ยก็จะ กล่าวในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าส่วนอาชีวะปริสุท ธ, ธจจิศีลปัจเจียกัณนิสิตตศีลของพระก็เคยกล่าวไว้หลายครั้งแล้วก็จะไม่นํามากล่าวต่อไปก็จะกล่าวในเรื่องของอาคาริยวินยัยอาคาริยวินัยนั้นเป็นวินัยของคารวัตนะชื่อว่าอาคาริยวินัยก็คือวินัยของเครหัสวินัยของเครหัสนั้นชื่อว่าอันครือัสศึกษาแล้วเนี่ย เพราะไม่ต้องโทษเครื่องเศร้าหมองในอกุศลกรรมบท10 ป, ประการนะถามบอกว่าวินัยของคารวะเนี่ยได้แก่อะไรได้กี่ได้แก่การงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10และเพราะทําตนให้ตั้งอยู่ในคุณคือมัน ญ, ญาติที่เป็นมงคลและนําประโยชน์สุขมาให้ในโลกนี้แล้วก็โลกนะท่านก็กล่าวบอกว่าอากุศลกรรมบท10บนั่นชื่อว่าวินัยของคารวะมีอะไรบ้าง ปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิจชาจานมุสาวาตปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัมผาฬาปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิอันนี้ชื่อว่าอากุศลกรรมบท10ิบในอาคาลิยวินัยนั้นในอกุศลกรรมบวชสิบนั้นปาณาติบาท่านพารณนาไว้โดยวิเศษยกตัวอย่างเช่นว่าวัฏกาตเจตนาเจตนาของผู้ฆ่าของบุคคลผู้มีความสำคัญในสัตว์ที่มีชีวิตสัตว์มีชีวิตอัญญความพยายามเป็นเหตุให้ไปตัดชีวิตเหล่านั้นให้ตั้งขึ้น เป็นไปทางกายทวารและวิจิทวารทวารใดทวารหนึ่งเนะีชื่อว่าปานาดิบัตบรรดาอกุศลกรรมบทสิ ป, ประการ น, นั้นเนะี่ยคว่าปานะในปานาดิบนะัตเนี่ยว่าโดยโอหารก็ได้แก่สัตว์โดยปรมัตไะแก่ชีวิตตินทรีเนะีคือชีวิตตินทรีย์ก็หมายความชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามชีวิตตินทรียเนะี่ยที่ตัวรักษาชีวิตรูปโทษของปานาดิบัตเนี่ยนีสัตว์มีชีวิตผู้เว้นจากคุณ มีสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นปานนติบาชื่อว่ามีโทษน้อยในสัตว์เล็กๆชื่อว่ามีโทษน้อยเนี่ยนะมีโทษมากในสัตว์ใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะมีต้องใช้ความเพียรมากเราดูกันบอกว่าสัตว์นี้จะมีโทษมากหรือโทษน้อยถ้าวัดกันตามสรีล่าเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ที่มีตัวใหญ่ๆก็โทษมากแต่ตัวเล็กๆอย่างมดเป็นต้นก็มีโทษน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีโทษนะมีโทษหมดเลยเคยฆ่าไหมมีโทษดังนั้นเนี่ยก็เตรียมรับ แต่ถ้าหากวัดกันโดยคุณก็น้ำเอาคุณนะใครมีคุณมากคุณน้อยอย่างไรเนี่ยไอตรงนั้นในรายละเอียดก็จะไม่กล่าวอะไรมากเลยเนะองค์ของปานาติบาตก็คือสัตว์มีชีวิตความเป็นผู้สาคัญว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทค า, า, า, าความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียรนั่นอันนั้นคือปานาติบาตส่วนนาทินนาทานเนี่ย เจตนาเครื่องเป็นขโมยเถียเจตนานีของบุคคลผู้มีความสําคัญในพัสดุอันผู้อื่นก็หวงแหนว่าเป็นพัสดุอันผู้อื่นก็หวงแหนทําความพยายามเป็นเหตุนําเอาพัสดุสิ่งของเหล่านั้นให้ตั้งขึ้นเป็นไปทางกายทางเ ท, งทงวะทางวาจาเนี่อันนั้นเป็นอัินาทานอัินาทานเนี่ยชื่อว่ามีโทษน้อยแต่เพราะของของผู้ในของผู้อื่นเลวชื่อว่าโทษมาก ในของผู้ผู้อื่นประณีตคือพัสดุประณีตแม้พัสดุเสมอการเชื่อว่ามีโทษมากในเพราะเป็นของของผู้ยิ่งด้วยคุณก็ดูว่าเออรักของคนมีคุณมากหรือคุณน้อยเป็นต้นส่วนกาเมุมิฉาจารย์ก็คือว่าในกรรมของคงคนคู่ทั้งหลายแล้วก็ลักษณะอย่างเนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของวินัยของคารวาสมูสาวาสปิสุนาวาจา แล้วก็ภารุวาจาเป็นต้นในรายละเอียดตรงนี้จะไม่ตามจะไม่ตามไปดูเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่ไม่ตามไปดูเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ามันมากก็จะเลยไปถึงมโนกรรมเอาอย่างนี้ดีวกว่านะความคิดทางใจนะว่าอะไรเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมดูอย่างนี้คําว่ามโนเนี่ยนะมันมีอภิชาพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฐิคําว่าอภิชาเนี่ยความที่มีโทษน้อยหรือมีโทษมากอภิชาเพ่งเล็ง เป็นไปด้วยความมุ่งหน้าต่อพันธะของผู้อื่นน้อมไปในพันธะนั้นเห็นของของคนอื่นแล้วก็น้อมบอกว่าขอให้มันมาเป็นของเราเถิดนี่นี่มันน้อมใจอยากจะเอามาเป็นของเราแค่นี้เป็นเป็นบาปแล้วเนะเขเป็นว่าเห็นพบกันนั้นเนอะอภิชาเกิดเพ่งเล็งอ่ะเป็นไปด้วยความมุ่งหน้าต่อพันธะของผู้อื่นน้อมไปในพันธะนั้นแล้วก็เขายกตัวอย่างว่าพันธะของผู้อื่นแล้วการน้อมมาเพื่อเป็นของตน อันนี้ครอบองค์แล้วเมื่อความโลภเกิดขึ้นไอตัวความโลภความดยานอยากเกิดขึ้นนี่แม้เกิดขึ้นแล้วพิชาของบุงคลยังไม่น้อมมาเพื่อตนด้วยคิดว่าของสิ่งนี้จะพึงเป็นของเราตราบใดกรรมมาบดก็ยังไม่ไม่ไม่ขาดตับนั้นถ้าเห็นเพียงอยากได้อย่างเดียวไม่เป็นไรอย่างนั้นกรรมมาบดยังไม่ขาดแต่ถ้าหากว่าน้อมออกมาเป็นของตนเมื่อไรขาดแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้ก็ขอให้คิดว่า ขอให้เอามาฝันเราทั้งๆ ท, ท, ที่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นอภิชาแล้วบอกว่าถึงเราไม่ได้มาเป็นของเราขอให้คิดว่าเป็นของเราก็เอาอยัางนะ น, น, นี่โอ้โหเสียเลยบางคนก็โอ้โหตั้งวิม า, านึ้นมาปุ๊บเลยนะะพอไปเห็นบ้านใครสวยๆสักหลังหนึ่งก็เลยน้อมบอกหม่เอามาเป็นของเราเลยถ้าคิดโอ้โหสวยนะเนี่ยถ้าไม่น้อมมาเป็นของเรานี่ไม่เป็นนะแค่น้อมทางใจนะน้อมแล้วเป็นละขาดแล้วกรรมมาบทขาดเป็นเหตุตกนรก ต้องสํารวมระวังใจส่วนพยาบาทนะดูพยาบาทลองดูนะว่าพยาบาทเนี่ยเราอะไรที่มันจะเป็นเหตุถึงการตกนั้นความพยาบาทของบุคคลผู้ให้มันเกิดขึ้นเมื่อพร้อมกันเข้าแล้วย่อมยังประโยชน์สุขให้พินาาไปเนี่ยนะโทษของพยาบาทพึงเห็นความที่พยาบาทนั้นมีโทษน้อยหรือโทษมากก็ดูคุณของที่เราพยาบาทนะว่าท่านผู้นั้นมีคุณมากหรือคุณน้อย พยาบาท que, มีองค์สองประการสัตว์อื่นความคิดความพินาศเพื่อสัตว์อื่นก็หมายความว่าน้อมจิตพยาบาทอาคาตไปถึงไครแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านผู้นั้นจงพินาศนีนึกในใจอย่างเงี้นะขอให้เขาประสบทุกข์ขอให้เขาอย่าได้มีความสุขความเจริญเลยขอให้เขาเข้าถึงความวิบัติโดยเร็วโดยง่ายอย่างเงี้เถอะเรียบร้อยไปแล้ว คือถ้าแค่โกรธอย่างเดียวไม่พอใจอันนี้ยังไม่ไม่ไม่เรียกว่าพยายามเพราะยังไม่ครบองค์นะเออ ย, ยังไม่ครบองค์กรรมบทแต่บอกว่าไปตายซะไปสมมติ น, น, <c oughs> นึกอย่างเงี้เนี่ยเรียบร้อยเลยเป็นพยาบามก็ก็ไปคิดเอาถ้าพูดออกมายิ่งใหญ่เลยนะนั่น โ, โหนแทนที่จะทางใจอย่างเดียวยังไม่พอยังเป็นพระรสสวรราสดิก็อีกโอ้โหหนักเลยที่จริงตรงเนี้ยต้องต้องย้อนไปดู ไอ้คำว่าพารสวาตพารุสวาตเนี่ยหรือพ า, า, ร, ารุสวาจาเนี่ยเนี่ยเจตนาหยาบโดยส่วนเดียวที่ยังกายประโยคน์าววจัประโยคะอันเป็นเหตุตัดเสียซึ่งคำลักของชนเราอื่นใด้ตั้งขึ้นพ า, ร, ารุสวาตกาวาจาดาบด้วยเจตนา ค, คือบอกว่าจิตที่มีโทสะบัทุสลายความไม่พอใจกระทบกระทั่งแล้วประสบทุกข์เหลือประมาณเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งอ่ะ ไม่เชื่อคำของมารดาก็เข้าไปในป่ามารดาเมื่อไม่อาจจะให้เด็กนั้นกลับได้ก็ดา่าบอกว่าขอให้ควายดุนจงไล่ขิดมันให้ตายเนี่เนี่ยด่าด่าลูกครั้งนั้นน่ควายป่าเนี่ยปากฏแกเด็กนั้นอย่างนั้นเด็กก็ทำสัจจา ก, กริยาบอกว่ามารดาของข้าเนี่ยพูดเรื่องใดด้วยปากขอเรื่องนั้นอย่ามีมารดาคิดด้วยจิต ขอเรื่องนั้นยงมีเขายายบอกเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากแม่เราเนี่ยด่าเราเนี่ยถ้าใจท่านบัตรสศร้ายเราจริงๆก็ขอให้โคลบูเออขอให้ควายนี่ควายป่าขวิดเราให้ตายแต่ถ้าเขาท่านด่าเพียงแต่ปากแต่ใจท่านไม่มีโทสะเนี่ยนะก็ให้ควายป่าอย่ายได้ทําร้ายเราควายป่านั้นก็ยืนนิ่งดูอยู่พักหนึ่งแล้วก็หลบหนีไปอันนี้เชื่อเห็นว่าพระรุศวะเนี่ย ไม่ได้เอาคําพูดหยาบเป็นเกณฑ์แต่เอาใจที่อยากมีโทสะนะี่ยเป็นเกณฑ์คือพูดแล้วเนี่ยทุกใจไหมถ้าพูดแล้วเศร้าหมองแล้วทุกใจเนี่ยอันนั้นแหละเขาเรียกพรศสวัสพูดให้คนอื่นเขาทุกใจเป็นต้นนี้คนอื่นที่พึงด่าจิตโกรธแล้วก็มีการด่าการพูดคําด่าออมานี่เป็นไปแล้วที่ที่ยกตัวนี้ออกมาก็คือต้องการอยากให้ทราบว่ามันคล้ายๆ ก, กันกับพยาบาท แต่พยาบาทนี่ทั้งด้านจิตใจส่วนพรุทธสวัส์เนี่ยมันใจด้วยแล้วออกมาทางวาจาด้วยเคยไหมเคยเคยใช้พุทสวาสดิ์เนี่ย <c oughs> ในอดีดเคยกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วแต่กรรมใครจะตามส่งผลทันต่อไปก็คือมิจฉาทิฏฐิธรรมชาติใดย่อมเห็นผิดเพราะไม่มีการถือเอาตามความเป็นจริงเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐินั้นชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะอาเสวนะน้อยชื่อว่ามีโทษมากเพราะมีอาเสวนะมากเช่นถ้าคนเห็นผิดเนี่ยแล้วก็ไม่คิดต่อมากมันก็โทษน้อยเช่นไปเห็นผิดในเรื่องเนี้ยนะในเรื่องอผิดคำสอนผิดอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ก็ยังเอาเรื่องนั้นมาคิดอยู่เรื่อยๆไอ้คิดบ่อยๆ บ, ย บ, ยบาปก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นปริมาณบาปก็มากตามกำลังความคิดถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันผิดทางคาสอนน่นอนตัดออก เ, อเี้ย บาปก็น้อยต้องระวังไว้นะที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเช่นเราไปเห็นโดยความเป็นของนามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงเห็นโดยความเป็นของสุขเห็นโดยความเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นความเห็นผิดนี่และเราก็เห็นแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยโอ้โหมีบาปก็ยิ่ง่ากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมไปเห็นบอกว่าพ่อแม่มีบางคนบอกพ่อไม่ได้เลี้ยงเรามาแม่ไม่ได้เลี้ยงเรามาจะไปมีคุณได้ยังไงเนี่ย ถ้าเห็นเพียงนิดดอยก็บาปนิดหน่อยแต่ถึงเอาความเหียนนีบ้บอกสืบเนื่องไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆปริมาณบาปก็จะเกินมากขึ้นเขาถึงบอกว่าเป็ น, นความอาเซวนะ่น้อยก็มีโทษน้อยอาเสวนะมากก็มีโทษมากอาเซวนะแปลว่าเสพ บ, บ, บ่อยๆถ้าเสพมากๆก็ยิ่งโทษมากยิ่งเสพน้อยก็ยิ่งโทษน้อยนั้นบางทีเนี่ยนะเช่นคนเขากําลังทําผิดเนี่ยไปเห็นคนเขาชั่วเนี่ยอ่าคนคนี้เขาทาผิดนะ้ ผิดเป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเรายังเอาเรื่องเขามาอาเสวนะเอามาเสียไปแม้อยู่ดีๆไปบาปซะจนตายหลวงโอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาลงโทษคนทําผิดใช่ไหมเขาฆ่าเขาเอามาก็เอาไปตัดสินประหารชีวิตสมน้ำหน้าเอาไว้กันเน่ะแล้วก็วิภาควิจารณ์ใหญ่คนอย่างนี้มันน่าฆ่าให้ตา ย, ยา<ป>ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าแม้อยู่ดีๆก็นี่โทษของมิจฉาทิฏฐิ เราควรทํำยังไงถ้าเราเห็นคนบาปทั้งหลายเนี่ยก็ถูกฆ่าตายถูกลงโทษหรือว่าถูกกฎหมายทั้งบ้านเมืองเล่นงานแล้วก็บอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมื่อคิดอย่างเงี้ยนี่ยแต่คิดอย่างเงี้ย็ขาเองจะองค์ของมิจฉาทิฏฐิก็คือว่าความที่วัตถุวิปริษฐจากอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอาความปรากฏเห็นวัตถุนั้นด้วยไปเป็นไปตามที่มิจฉาทิฏฐินั้นถือเอาอธิบายก็ยาก คนแปลหนังสือเนี่ยบางทีอย่างว่าเนี่ยอย่าไปว่าว่าจะเป็นบาปอีกเขามีกําลังแปลได้เท่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่มั้งบางทีอดไม่ได้จะเอาบาปมาด้วย่างที่อ่านหนังสือนี่คืออ่านแล้วมันมันยิ่งมึนนะ <c oughs> ไม่รู้โทษเขาหรือโทษเราไม่รู้นี่องค์ของมิจฉาทิฏฐนะิเนี่ยมีอยู่สองความที่วัตถุวิปริตจากอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือเอาก็ามหมายความบอกว่า วัตถุคือถ้าหากว่าไปเห็นผิดในสิ่งใด ấy, ความที่วัตถุนั้นวิปลิตอาการที่มิจฉาทิฏฐิถือไอตัววัตถุเนี่ยของเขามันมันก็เป็นไปตามสภาพนั้นๆใช่ไหมแต่ถ้าตัวมิจฉาทิฐิไปถือเอาวัตถุใดเนี่ยมันก็ไปคิดในวัตถุ น, นั้นวิปลิตเช่นว่าผมขนแลบฟันหนังเนื้อเนี่ยมันไม่ได้งามอะไร แต่ถ้ามิจฉาทิถีไปถือเอาพบเนี่ยจะเห็นว่างามดีเลยถึงขนาดประกวดเป็นนางงามโลกได้เลยใช่ไหมในใค้คนห้าหกคนเป็นกรรมการไปตัดสินเนี่ยนะว่าใครงามที่สุดเนี่ยฮคนที่ไปไปตัดสินเนี่ยเป็นมิจฉาทิถีนะที่จะตัดสินได้ถ้าไม่เป็นมิจฉาทิถีตัดสินงามไม่ไดนะ้เพราะจะไปเห็นของไม่งามเป็นของงามเนี่ยจะต้องเป็นการเห็นผิดใช่ไหมเอามันเป็นอย่างนี้ ถ้าถ้าไปเห็นถูกเนี่ยมันจะไปงามได้ยังไงอ่ะใช่ไห้ใช่ผมเนี้ยขนเนี้ยเล็บเนี้ยฟันหนังเนี้ยใช่ไหมห้าอย่างเนี้ยไปเห็นผมขนเล็บฟันหนังงามเนี่ยอันนี้เขาเรียกวิบปรลิตมานัสิกาเห็นผิดเห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอันนี้พูดแต่กลุ่มศึกษาพระธรรมเนีโดยพูดในกลุ่มที่เขาไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยเขาเขาโกรธดยโกรธไม่มองน้ปีต่อไปไม่เชิญเลยเดยวนี้ โอเคต่อไปเราไม่ใช่มอืแล้วเขาหาว่าเราไม่ใช่เป็นพวกเขาก็เป็นอย่างนั้นความไม่เป็นโดยประการที่มิฉาทิฏฐินั่นถือเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทิฏฐิถือเอาเช่นว่าของนี้ต้องเที่ยงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทิฏฐิถือเอาใช่ไหมสภาพที่เราไปเห็นว่าเที่ยงเนี่ยเช่นว่าโอ้โหเห็นเมื่อไหรเมื่อไรก็ดีอันนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อ ไ, รไหรเมื่อไหรก็งามอันนี้ไม่ใช่แล้ นันตรงนี้ตัวที่นี่ทิฏฐิเนี่ยกําลังของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามากน้อยอย่างเง้ยถ้ามากๆเนี่ยถึงขนาดว่าเห็นว่าตายแล้วตายตายแล้วไม่เกิดเล ย, เยกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เห็นว่าตายแล้วเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมาแต่มนุษย์อยู่ลําไปหรืออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะบางคนกลุ่มก็เห็นว่าเที่ยงบางกลุ่มก็เห็นว่าขาดศูนย์ อันนั้นก็แปลว่าเริ่มแรงไปเรื่อยๆ อ, อันนั้นกลุ่มมิจฉาทิฏฐิบางกลมก็เห็นว่าไม่มีไปเลยเนี่ยนะเช่นคุณพ่อไม่มีคุณแม่ก็มีนรกสวรรค์ไม่มีเงี้ยเห็นเห็นว่าไม่มีไปเลยอันนั้นก็หนักไปใหญ่แล้วนั่นแหะคือมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าบอกว่าโทษที่รุนแรงโทษที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวมิจฉาทิฏฐินี่เป็นโทษที่รุนแรงมากถ้ากล่าวเกี่ยวในเรื่องของ ตัวมิจฉาทิฏฐินี่ก็มีทั้งอกิริยทิฏฐิอเหตุกต า, าทิฏฐินาฏิกาทิฏฐิเนี่ยนอันนั้นก็ในรายละเอียดก็จะจะไม่ลงลงไปลึกเลือกทั้งหลาอันนั้นกล่าวในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิโทษของมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีโทษมากถามบอกว่าอนันตริยกรรมมีโทษมากไหมบอกมีโทษมากพุทธเจ้าตรัสไว้ในเอกนิบาตอังกุตระนิกายบอกว่าภิกษทุทั้งหลาย เรายังไม่มองเห็นธรำแม้อย่างอื่นซึ่งจะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี่เลยภิกษุทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิโทษทั้งหลายมีทิมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นอย่างยิ่งแห่งโทษเหล่านั้นมีมิถะก็แปลว่าในอนันตริยกรรมเนี่ยมีโทษมากตัวมิจฉาทิฏฐิมีโทษมากยิ่งกว่าอนันตเรียกรรมค่าพ่อค่าแม่ค่าพระอาหารเป็นต้นเหล่านี้ก็ไปจากตัว มิจฉาทิฏฐินั่นเองตรงนี้เมื่อเข้าใจลักษณะอย่างนี้แล้วก็ก็เป็นสิ่งที่น่าน่ากลัวตัวมิจฉาทิฏฐิมีโทษมากส่วนประการต่อมาก็กล่าวในเรื่องของกุศลกรรมบทนะอันนั้นเป็นวินัยของของผู้คลองเรือนทั้งหลายเนี่ยประตัววิรัตสามอย่างนั่นแหละก็มีสัมปตตาวิรัตสมาทานวิรัตเป็นต้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น จากบาปจากอากุศลและต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นอันนั้นเป็นกุศลการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลากทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการเป็นต้นเหล่านี้นะตรงนั้นก็ได้กล่าวไว้แล้วค่อนข้างหลายครั้งก็จะจะไม่กลับอภาการต่อไปก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของวาจาสุภาษิต <c oughs> เป็นมงคลนะสุภาษิตตาใจยาวาจาเนี่ยวาจาที่กล่าวดีแล้วได้แก่วาจาที่เว้นจากโทษ คือการเว้นจากพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจือเป็นต้นในสุภาษิตสูตรสังยุตตนิกายกล่าวไว้บอกว่าวาจาที่ประกอบไปด้วยองค์สเป็นวาจาสุภาษิตที่ประกอบไปด้วยองค์สีก็คือว่าวาจาที่ประกอบไปด้วยเป็นวาจาที่เป็นธรรมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อธรรมวาจาเป็นที่รักไม่ใช่ไม่เป็นที่รักวาจาที่เป็นจริงไม่ใช่วาจาเท็กวาจาสุภาษิตไม่ใช่ทบภาสิต อีกประการหนึ่งก็คือบอกว่าวาจาที่ไม่เพ้อเจ้อเหล้วไหลไม่ใช่สัมผัส พ, พราปร ะ, ปะชื่อวาจาสุภา ษ, ษ, ษิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าสัตว์บุรุษใดกล่าววาจาสุภา ษ, ษิตอย่างสูงคือไม่กล่าวสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกล่าวแต่สิ่งที่เป็นธรรมไม่กล่าวคําที่ไม่เป็นที่รักกล่าวแต่คําที่เป็นที่รักไม่กล่าวคําเหล่อแหละกล่าวแต่คําจริงวาจานั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนํามาซึ่งประโยชน์และความสุขในโลกนี้และโลกหน้า นี้เหตุที่วาจาสุภาษิตนี้นับเนื่องในวินยัยจึงส่งเคาะเข้าในวินัยได้อีกอย่างหนึ่งวาจาสุภาษิตนั้นได้แก่วาจาที่แสดงให้แก่ผู้อื่นเพราะเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานและเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขในโลกนี้แล้วก็ในโลกทั้งสองด้วยทีนี้ถ้าเรากล่าวตามคําว่าวาจาเนี่ยวาจาสุภาษิตนั้นเรียกว่าสัมมาวาจาก็ได้วาจาก็คือวาจาที่พูดวาจาที่เปล่ง วาจาอันหาโทษไม่ได้ฟังแล้วมันสบายหูอะ่ะทีนี้การที่จะกล่าววาจาต่างๆออกมาได้เนี่ยมันมาจากหนึ่งเจตนาคือจิตที่จะกล่าวเมื่อจิตคิดขึ้นมาที่จะกล่าวแล้วเนี่ยก็ทําวิญยัตวาจาให้ตั้งขึ้นหากามกล่าวเนี่ยเป็นสายเสียงที่มันกล่าวออกมาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วจีวิญญตัตการเปล่งออกมาได้เนี่ยทีนี้ในคํากล่าวทั้งหลายเนี่ยวาจาเนี่ย ท่านอธิบายบอกว่าบุคคลย่อมกล่าวด้วยเจตนาเหตุนั้นเจตนานั้นชื่ออวาจาได้แก่เจตนาอันอยังถ้อยคําให้ตั้งขึ้นการจะกล่าวอะไรแต่ละครั้งมันมีเจตนาในการที่จะพูดหนะึ่งย่อมเป็นไปในเจตนาด้วยเหตุนั้นนะ่ยเจตนาชื่อว่าบุคคลย่อมกล่าวบางทีก็อาจจะกล่าวคำํำยาวกล่าวส่อเสียดเป็นต้นเหล่านี้หรือกล่าวไม่คําที่ดีไม่กล่าวคำวํำบอส่อเสียดเป็นต้นเหล่านี้ ถ้ากรรมอันบุคคลกระทำด้วยวาจากรรมนั้นท่านเรียกว่าวาจีกรรมวจีและ ว, วจีกรรมท่านกำหนดซึ่งกันและกันคือเป็นอันเดียวกันฉั้นวจีกับคาว่าวาจีกรรมเนี่ยเป็นอันเดียวกันถ้ามีการเปล่งวาจาเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเราทำกรรมแล้วเรียกว่าวาจีกรรมทีนี้บอกว่าเพราะการถึงความตกลงในมงคลบกเสียงเท่านั้นเชื่อวาจาไม่ใช่เยดนาะบอกว่า วาจาที่ประกอบไปได้วยองค์สี่ที่พูดเนี่ยย่อมเป็นสุภาษิตไม่ได้เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษวินญูชนทั้งหลายติเตียนไม่ได้ชื่อว่าเจตนาวาจาส่วนลักษณะของสุภาษิตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสุภาษิตสูตรอังคุตตะนิกายที่บอกว่าย่อมเป็นสุภาษิตหาเป็นทุพภาษิตไม่ไม่มีโทษวินยูชนทั้งหลายติเตียนไม่ได้ส่วนองค์ห้าก็คือบอกว่ากล่าวตามการ กล่าวแต่คําสัตย์กล่าวว่าจาอ่อนหวานกล่าวว่าจาประกอบด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตาจิตเหตุสัใครมีครบไหมหนึ่งกล่าวตามการดูเหตุดูการเวลาก่อนว่าควรกล่าวหรือไม่ควรกล่าวกล่าวแต่คําสัตย์ก็คือไม่พูดเท็จกล่าวอ่อนหวานด้วยอุดเพราะแล้วก็กล่าวคําที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในพบหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็กล่าวด้วยเมตตาเวลาจะกล่าวก็ตั้งเมตตาจิตไว้วินยูชนติเตียนไม่ได้นะคําพูดที่ประกอบด้วยองค์ห้าเธรรมชาติเราใดาอันบุคคลย่อมกําหนดคือย่อมรู้ด้วยความเป็นเหตุเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าองค์องค์งเนี่ยองค์ของกาลกะทีนี้ความไม่มีโทษในเพราะรู้อํานาจแห่งอคติคือเวลาจะกล่าววาจาก็ไม่ลําเอียงด้วยความลากักความกโกรธด้วยความกลัวด้วยความหลงเป็นต้นพ้นจาก ชนจากอาคติวินยูชนแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายคนพานทั้งหลายไม่เป็นประมาณในเพราะการนินทาและสารเสริญเพราะจะทรงแสดงองค์เหล่านั้นโดยประจักษ์การกล่าววาจาเนี่ย